ยอดปรารถนาต้องเป็นเรื่องไม่มีทุกข์ดุดอยู่บนบกเป็นอันว่าจะต้องยอมเชื่อว่าสิ่งที่ดีที่สุดหรือยอดปรารถนาของมนุษย์นั้นไม่ใช่การอยู่ในน้ำหรือเพียงแต่อยู่ในน้ำต้องไปอยู่บนบกซึ่งหมายถึงเรื่องที่ไม่ใช่เป็นเพียงความสนุกสนานเพลิดเพลินทางเนื้อทางหนังแต่ต้องเป็นเรื่องในทางจิตทางใจที่สะอาดสว่าง สงบเยือกเย็นไม่มีความทุกข์ไม่ต้องร้องไห้แต่ประการใดไม่ต้องถึงกับค่าตัวตายหรืออะไรทำนองนี้หรือว่าอยู่ก็อยู่ด้วยต้องกินยาระงับประสาทอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าไปรู้แต่เรื่องน้ำและหลงไหลในเรื่องน้ำอย่างเดียวไม่รู้เรื่องบกซึ่งจะเป็นยาแก้โรคที่เกิดขึ้นเพราะน้ำนั้นหวังว่านักศึกษาทั้งหลายจะได้นึกคิดเรื่องนี้เป็นพื้นฐาน สำหรับการเป็นอยู่ต่อไปหรือในการศึกษาต่อไปเพราะว่าการศึกษาของเรานั้นจะนำมาซึ่งอะไรนี้เราก็มีข้อที่จะต้องคิดกันต่อไปว่าทำอย่างไรจึงจะขึ้นบกได้ทำอย่างไรไอออสจึงจะขึ้นบกได้เราจะมีชีวิตกันอยู่อย่างไรในโลกนี้จึงจะเป็นไอออสที่ขึ้นบกได้ ถ้าเราจะมีชีวิตอย่างผีเสื้อที่สวยๆบินโบกชวัดฉเวียนไปมาอะไรอย่างนั้นแล้วไม่เท่าไรก็ตายแล้วมันจะได้อะไรนอกจากความงามชั่วประเดียวประดาวหรือว่าจะมีชีวิตอย่างยุงที่คอยสูบเลือดสูบเนื้อแล้วก็ทำความรำคาญให้คนอื่นไม่มีความงดงามที่ตรงไหนแ ล, แล้วไม่เท่าไรก็ตายไม่กี่วันก็ตายหรือว่า จะมีชีวิตอยู่อย่างปูรู้จักแต่เรื่องดินเรื่องโคลอนอยู่แต่เนื้อเยื่อนื้รูมันจะหน้าทุเรศสักเท่าไหร่หรือว่าเราจะมีชีวิตอย่างวัวอย่างควายช้างม้าซึ่งเหนื่อยหนักด้วยการลากแอ ก, กไถยอย่างตึงเครียดอย่างเนี้ยจะเอาไหมต้องลองคิดดูด้วยเหมือนกันว่าอะไรอะไรที่มันมากเกินไปอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นมันจะทนไหวไหมหรือว่าจะเป็นลิงทรรมน์นายฝูง แล้วก็มีลิงเพศตรงกันข้ามเป็นบริวารมากมายลิงตัวผู้ตัวไหนเข้ามาแล้วเป็นกัดตายเลยเป็นหัวหน้าลิงธะรมน์ที่มีเหมือนกับมีฮาเรมอย่างนั้นจะเอาไหมขอให้ลองเปรียบเทียบดูจะเป็นผีเสื้อจะเป็นยุงหรือจะเป็นปูหรือจะเป็นช้างม้าวัวควายหรือจะเป็นลิงทะรมน์ตัวนั้นหรือจะเป็นไอออที่ขึ้นบกได้นี่ลองเปรียบเทียบ ด้วยอุทาห่อ น, นี้เพื่อประหยัดเวลาไม่เช่นนั้นจะต้องพูดกันมากคำเป็นอย่างไรชนิดไหนมันคงจะไม่ใช่ทุกอย่างที่กล่าวมาแล้วนั้นมันจะต้องเป็นอย่างที่เป็นการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าได้ระบุไว้ให้ขอให้เข้าใจให้จดจำคำนี้ว่าเราจะต้องเป็นอยู่อย่างชนิดที่เป็นการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าระบุไว้ให้คือว่าเป็นมนุษย์นั่นแหละ เป็นมนุษย์ถือเอาตามตัวตรงตรองว่ามีใจสูงดีกว่ามณนะเท่ากับใจอุสยะเท่ากับสูงรวมกันเป็นใจสูงง่ายๆไม่ต้องกลัวผิดวยากณ์อะไรถ้าใจสูงก็ต้องขึ้นจากน้ำน้ำท่วมไม่ได้คือกิเลสตัณหาหรือความทุกข์ซึ่งเป็นเหมือนน้ำท่วมไม่ได้ นี้จึงจะเป็นมนุษย์แล้วเรื่องต้องเป็นอยู่อย่างมนุษย์ก็คือเราจะต้องมีจิตใจอย่างมนุษย์เราจะต้องรู้เรื่องทั้งเรื่องบกและเรื่องน้ำรู้เรื่องบกและเรื่องน้ำจะต้องจัดการอย่างไรการเรียนของเราจะต้องมีการศึกษาอบรมที่เป็นไปเพื่อความเจริญสมบูรณ์ทั้งทางน้ำและทางบกคือทั้งทางกายและทางวิญญาณเพราะฉะนั้น เราจะต้องรู้จักตั้งตัวอยู่ในชีวิตนี้ให้มีการงานที่ดีและเป็นการปฏิบัติธรรมไปด้วยพร้อมกันไปในตัวการงานชนิดไหนที่จะเต็มทั้งสองอย่างพร้อมกันไปในตัวเช่นนี้ก็คือการงานคิดทำไปอย่างไม่ผิดพลาดไม่ทําลายสถาบันของบิดามารดาครูบาอาจารย์หรืออะไรหมดแต่เป็นไปเพื่อการบังคับตัวเองไม่มีการเห็นแก่ตัว ไม่ให้จิตวุ่นให้จิตประกอบอยู่ด้วยสติปัญญาชนิดที่ตรงตามแบบของธรรมะหรือของศาสนาและทำไปเถอะการงานอย่างนั้นการศึกษาในขณะนี้ก็เรียกว่าการงานเราออกไปประกอบอาชีพก็เรียกว่าการงานต่อไปจนตลอดชีวิตก็เรียกว่าการงานและจะมีหน้าที่เป็นอย่างไร เป็นผู้พิพากษาเป็นตุลาการเป็นเสมียนพนักงานเป็นทหารเป็นพลเรือนเป็นกสิกรเป็นอะไรก็สุดแท้นี้เรียกว่าการงานทั้งนั้นแต่ขอให้เป็นผู้ทำการงานดีด้วยจิตที่ว่างจากความเห็นแก่ตัวที่เรียกว่าจิตว่างและจะมีประโยชน์อย่างยิ่งโดยที่ว่าเป็นทีเดียวทั้งสองอย่างเหมือนกับว่าเรายิงปืนไปทีเดียว ด้วยกระสุนเพียงนัดเดียวแล้วได้นกตัวใหญ่ๆตั้งสองตัวเราภาคภูมิใจมากนี้ก็เหมือนกันขอให้เป็นอยู่ด้วยจิตใจที่ประกอบด้วยธรรมะว่างจากตัวตนหรือความเห็นแก่ตนแล้วทำหน้าที่การงานของตนไปอย่างสุดความสามารถของตนมันจะเป็นการทำงานและปฏิบัติธรรมอย่างสูงพร้อมกันไปในตัวปฏิบัติธรรมอย่างอื่นไม่มีดีกว่านี้ เพราะมันมีแต่มากเกินไปบ้างน้อยเกินไปบ้าง